I'm not. สู่การศึกษาส0นิ้วก้มลงวันทาสถาปัสวัสดีครับพันธุ์ดูฟังที่เปิดเครื่อง รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับท่านโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยเรามานำเสนอติดตามข่าวสารสถ า, านการณ์โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องของไวรัสโควิดนายทีอโควิด -19 นะครับซึ่งกำลังระบาดกันทั่วโลกแล้วครับในส่วนของไทยก็รับมือและมีมาตรการป้องกันนะครับนะการ แพร่กระจายของเชื้อโรคกันอย่างเข้มแข็งนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็มีมาตรการต่างๆออกมาแล้วครับเพื่อที่จะให้คลี่คลายโดยไว่คือเราต้องการที่จ ะ, ะให้สถานการณ์ของของการแพร่ระบาดเนี่ยยุติลงโดยเร็วจะยึดตามโมเดลของของจีนของ เกาหลีใต้นะครับของของสิงคโปร์ซึ่ง ส, สามารถจุดยังสถานการณ์การระบาดได้นะครับซึ่งทำได้ดีกว่าทางทางทางยุโรปนะฮะทางยุโรปนี่ยังระบาดกันอยู่ยุโรปกับสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะแถวอิตาลีสเป น, นสหรัฐเนี่ยนะครับระบาดกันอยู่มาดูความเคลื่อนไหวในส่วนของคณะตรีรวันที่เจเมษายนผ่านมานะครับ พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายยงตรีนะครับเป็นประธานการประชุมคลรเต็มรูปก็มีการออกมาตรการนะครับที่จะมาสู้กับวิกฤตโควิดนี่แหละครับนะซึ่งตรงนี้นายยงตรีแถลงหลังจากการประชุมคอร ม, มีมาตรการที่น่าสนใจคือมีการอาจจะมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี2563 คืองบกลางนะครับซึ่งเหลืออยู่ 3,000 ล้านเนี่ยมามาเติมนะมาเติมในงบที่จ ะ, ะแก้ไขวิกฤตโควิดนะครับซึ่งพยายามที่จะมาะเติมเข้าไปนะครับใช้งบประมาณเป็นแสนล้านเนี่ยแหละครับนะแล้วนอกจากนี้นี่ก็ยังจะมีการให้อำนาจของธนาคารแห่งประเทศไทยนะออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟโลนนะครับนะแล้วก็ให มีให้อำนาจของธนาคารแห่งประเทศไทยไปซื้อตราสารหนี้เอกชนคุณภาพดีที่จะครบกำหนดชำระวงเงิน9 0 0 0แสนล้านนะครับนะ ก, ก็เป็นการเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีออกพระราชกำหนดที่จะให้อำนาจกระทรวงการคลังไปกู้เงินจากต่างประเทศมา1ล้านล้านบาทนะซึ่งแบ่งเป็น2ระยะ ระยะที่1นี่งใน00แสนล้านเอามาเยียวยามาฟื้นฟูมาซื้ออุปกรณ์นะครับทางด้านสาธารณาสุขเพื่อป้องกันโรคโควิด n i n หรือโควิด -19 เกนี่ยแหละครับกม็มาทำส่วนระยะที่สองประมาณ4 0 0แสนล้านก็จะใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจซึ่งก็จะต้องดาเนินการคู่ขนานกันไป ครับซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับไปคู่มาหนึ่งล้านล้านนะครับและนอกจากนี้นี่ก็ยังมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของอการรับคนไทยกลับบ้านนี่ก็จะมีะการทยอยกลับมาเป็นรุ่นๆแล้วก็จะต้องมีการกักตัวอย่างเข้มข้นะครับเพราะว่า อ, อย่างที่บอกปีเรื่องวุ่นๆอยู่ชุดหนึ่งที่สนามบินสวนภูมิที่มีการ ปล่อยตัวผู้เดินทางกลับมาก่อนต้องตามกลับมากักตัวกันวุ่นวายต่อไปคงจะไม่เกิดคงต้องมีการมากักตัวส่งกักตัวกันอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนั้นนี่ก็คงจะต้องดูนะครับส่วนจากจากนั้นน า, นายอุตมสันวัณยนด้านตีครังมีการมาอธิบายเสริมจากนายนายยงตรีนะครับบอกว่าคอรอมอนี่ก็จะ เดียวยานะครับผู้ที่ประสบผลกระทบจากโควิด19นี่แหละครับต่ทั้งทางตรงทางอ้อมนในระยะที่3นี่จะใช้วงเงินรวม2ล้านล้านบาทนะครับประกอบไปด้วยร่างพลกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินมาฟื้นฟูนะครับซึ่งในชุดแรกนี่จะใช้วงเงิน6แสนล้านไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชน เกษตรก ร, กรและดูแลด้านสาสุขนะแล้วก็จะขยายมาตรการแจกเงินให้กับคนตกงานเนี่ย 5, บาทที่บอกว่า 5,000 ันบาทระยะเวลาสมเดือนก็คือจะได้ประมาณคนละ 15,000 บาทนะก็จะในช่วงเดือนเมษายนมิถุนานะก็จะบอกว่าจะมีการต่อยุคให้อีกสเดือนจนถึงเดือนกันยานสรุปแล้ว คนว่างงานจะได้ค่าตอบแทนเดือนละ5 0 0 0บาท6เดือนนะครับหเดือนก็รวมเป็นเงิน 30,000 บาทนะครับก็จะไปช่วยเน้นเป้าหมายก็คือคนที่ตกงานนะครับนะก็มียกเว้นเหมือนการกลุ่มกเกษตรกรนี่ก็ไม่ได้นักศึกษาอะไรต่างๆเนะี่ยก็จะมีข้อยกเว้นอยู่นะส่วนคนตกงานในภาคบริษัทต่างๆก็จะได้รับนะซึ่งต้องจะมีะรายละเอียดกันอยู่แะครับนะส่วนการช่วยเหลือเกษตรกร ก็จะเน้นช่วยเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างเช่นมเมล็ดพันธุ์พืชนะการลดต้นทุนการผลิตแต่ก็ไม่ได้ไม่คือแต่ว่าไม่ได้เงิน 5,000 บาทนะครับเดือนนี่นะครับไม่ได้นะครับนะรวมทั้งคนงานในที่อยู่ในในบริษัทรับเหมาก่อสร้างต่างๆก็ๆไม่ได้ก็มีการเรียกร้องกันเหมือนกันนะครับต้องต้องดูตรงนี้นะครับแ ล, ละลันติคีคังบอกว่าชุดที่สองนี่เป็นเป็น มาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศวงเงิน4 0 0 0 0นล้านนะก็จะบอกว่าจะดูแลเศรษฐกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมนะซึ่งอาจจะเป็น SME อนะครับอะไรต่างๆที่กระทบกันหนักล่ะครับนะธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ล้มกันรลเนรนาดละครับหลังจากที่นักท่องเที่ยวนี้หยุดนะไม่มาไม่มาเที่ยวนี่ก็กระทบนะต่อโรงแรมต่อ พนักงานบริษัทนำเที่ยวไกด์อะไรต่างเนี่ยนะครับตกงานก็เดือดร้อนนะครับต้องต้องแก้ไขรวมทั้ง SME นะครับต่างๆธุรกิจขนาดกลางขนา ด, นา ด, นาดย่อมต่างๆที่เกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยต้องต้องมาช่วยเหลือตรงนี้อย่างหนักเลยทีเดียวรัฐบาลนะครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีคลังบอกว่าจะมีการ จ, จะมีการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบการเงินก็จะบอกว่าจะมีการออก นำเงินประมาณ5 0 0แสนล้านนำไปปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ยต่ำพิเศษหรือซอฟโลนให้แก่ธนาคารพาณิชย์นะครับพวกธนาคารออมสินทอกอส อ, อะไรต่างๆแ น, น่ตาล้อยละศูนย์จุดศูนย์หต่อปีนะเพื่อที่จะเอาไปให้ธนาคารไปปล่อยให้กับ SME นะคือผู้ประกอบการรายย่อยนะมากู้เอาไปไปหมุนเวียนนะครับเพราะตอนนี้นี่ก็หนักนะ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องของโรงแรมร้านอาหารนะฮะห่วงโซ่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับซึ่งตรงนี้นี่คงคงจะต้องดูมาตรการนะต่างๆนะที่ที่รัฐออกมานะครับนะว่าว่าจะจ ะ, จะทําอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้นี่ก็อย่างย่งที่บอกแหละครับว่าให้ในส่วนของเศรษฐกิจเรานี่ยการเติบโตนี่ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการชะลอตัวอย่างอย่างหนักเลยทีเดียว มีการเปิดเผยว่าสิกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะที่จะได้รับเงินจำนวนห5จากรัฐบาลนนะครับแต่ก็ซึ่งจากการเปิดเผยของนายละ ว, วันแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็บอกว่าผู้ลงทะเบียนที่จะรับเงินเยียวยา 5,000 ันบาทสเดือนนี่นะครับแต่ซึ่งมีการลงทะเบียนไปทั้งหมด24ล้านคนนะครับก็ ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ1ล้านหแสนคนนะครับก็เป็นกลุ่มที่ได้รับเงินมากที่สุดก็คือคนที่ทำอาชีพค้าขายนะรับจ้างนะแล้วก็จะมีอ า, อาชีพเกี่ยวกับเรื่องของแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์มกุเทศนะผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับซึ่งส่วนคนที่ไม่ผ่านนี่ก็ไม่มีสิทธ์ก็จะมีอยู่10กลุ่ม ได้แก่ในส่วนของคนที่มีอายุต่ากว่า18ปีก็ไม่ได้แล้วก็ก็เป็นผู้ว่างงานมาก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ได้รับเหมือนกัน 3. ข้าราชการนะครับพนักงานของรัฐนะพวกนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะมีเงินเดือนอยู่แล้วอันที่5ก็คือข้าราชการบนานาญผู้ได้รับเงินบำนาญ น, นะครับห ก, ก็นักเรียนนักศึกษานะไม่ได้นะครับอีกอันหนึ่งคือ เก็คือกลุ่มเกษตรกรคือกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวก็คือชาวไร่ชาวนาทั่วไปก็ไม่ได้รับนะแก็คือผู้ค้าออนไลน์คนที่ทํามาค้าขายออนไลน์นะเผู้รับจ้างก่อสร้างก็คือพวกแรงงานก่อสร้างซึ่งตรงนี้ในกลุ่มนี้ก็มีการเรียกร้องว่าน่าจะได้รับชดเชยแหละครับเพราะว่างานก่อสร้างชะลอตัวกันอยู่นะครับช่วงนี้ก็ตกงานกันมากเหมือนกัน อันที่สิก็คือโปรแกรมเมอร์นะครับนะก็ไม่ได้รับคนกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่หลายล้า น, นกันนะครับ ท, ที่ที่ไม่ได้รับการเยียวยานะหมื่นห้านะก็คือ3เดือนนะครับแต่บอกว่าจะขยายมาเป็น6เดือนก็จะเป็น 30,000 ื่นนะครับนะซึ่งก็คงจะต้องดูรายละเอียดอีกนะครับเพราะมีบางกลุ่มก็เรียกร้องว่าน่าจะต้องมีการขยายการช่วยเหลือให้ทั่วถึงเพราะว่าเดือดร้อนกันหนักนะครับในในช่วงนี้ นะครับนะชาวบ้านก็อยากเรียกร้องให้ทบทวนก็ต้องดูนะครับว่าจะมีมีมาตรการอะไรกันหรือไม่ในช่วงนี้เนี่ยมีอย่างที่บอกแครับว่ามีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อติดเชื้อไวรัสโครโรนาหนะรือโควิด -19 หรือสบคเนี่ยก็จะมีการถแถลงกันทุกทุกช่วงกลางวันเนี่ยโด ย, โดยนายแพทย์ทวีสินวิษนุโยทินโคศก สบค ก, ก็จะมีการแถลงตัวเลขนะครับของผู้ที่ติดนะครับนะติดเชื้อนะครับนะจำนวนคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือลดลงน่หลายคนสื่อก็ติดตามกันอยู่ทุกวันนะเราติดตามกันได้รวมทั้งการดำเนินคดีกับคนที่ฝ่าฝืนนะเพราะมีการประกาศเคอร์ฟิกันขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้นี่ต้องระวังนะครับนะเพราะนีตรงนี้ก็ต้องติดตามกันชมกันในทุกวันนะก็จะ ทำให้สถานการณ์น่าจะนิ่งแล้วก็จะดีขึ้นรับฟังเพลงสักเพลงครับก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับก็อยากไปหาละเนาอก็อยากไปก่อนละเนาอ บ่คนอยู่ไกลมันเงบอกเลาออกไปสเปิดมือถือบังคาวในห้องเศร้าติดตามสถานกาอยากขึ้นเมื่อบ้านอยากไปกอดแม่คำคิงให้แน่อีพ่อลายาแต่ทางการเพิ่นให้กักตัวบ่ให้เดินทาง ทนอยู่บ้า สูต่ต่อฟ้าหูรอเขาสิเก้าผ่านด้วยกันอย่าเฝ้ากอดภผยเดอ้ออย่าเพลอเขาใกล้ภัยคนของใจโอ้โอโอโอยยังเป็นอ้ายคนดี พูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนให้ความร่วมมือนะตามการรณรงค์ของรัฐบาลนะครับก็คือการอยู่บ้านนะครับเว้นระยะห่างนะครับจากกันนะจะต้องโซเชียลดิสแตนตเนี่ยเว้นระยะห่างนะครับแล้วออกนอกบ้านก็สวมหน้ากากอนามัยนะครับทุกครั้ง คนะงจะต้องทำตามที่ฝ่ายคุณหมอได้รณรงค์ได้บอกไว้แล้วครับนะดูตามโซเชียล น, นะกามแนะนำของทางด้านสาสุขเนี่ยนะเต็มที่เลยนะก็คงดูแล้วก็ปฏิบัติตามก็จะทำให้สถานการณ์ของการระบาดเนี่ยลดลงนะเราต้องช่วยกันใ น, ในวันที่8เมษายนเนี่ยนะครับที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อเนี่ยนะครับนะ ส, ส, สอบอคนะครับก็แพทย์ทวีสินวิศนุโยทินก็บอกว่าทางรัฐบาลก็จะยกการแก้ปัญหาโควิด 19, -19 เป็นวาระแห่งชาติ้ายกเป็นวาระแห่งชาติก็คงจะต้องให้ทุกฝ่ายทุกส่วนร่วมมือกันจนมีมาตรการในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นนะครับนะซึ่ง ก็บอกว่าผู้ติดเชื้อหลังจากลดลงแล้วก็มีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเมือม่อวันเมือมอมอม่อวันที่เมือ่อวันที่9เมษายนเนี่ยครับก็มีการเพิ่มขึ้น111คนเสียชีวิต3คนนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นคนที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศเป็นเป็นส่วนใหญ่แหละครับส่วนใหญ่เนี่ยพวกที่ ติดนี่มักจะเป็นคนที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ที่กลับมาจากอินโดนีเซียนะครับนะซึ่งก็ประมาณ50คนนี่ติดเชื้อประมาณ42นะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็บอกว่ า, าทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในหลายจังหวัดในในเฉพาะ 3-4 สีจังหวัดภาคใต้นี่เพิ่มขึ้นนะครับะเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้คงจะต้อง ดูแลนะครับผู้ที่ที่ผู้ที่กลับมานะครับจากการไปทำศาสนกิจทางศาสนานะครับที่ที่อินโดนีเซียเนี่ยกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับนะก็คงจะต้องมีการกักกันตัวเองแล้วก็ดาเนินการตามขั้นตอนของของแต่ละจังหวัดนะครับนะว่าว่าจะทำอย่างไรนะครับนะซึ่งเราก็คงจะต้องมีการ ตรวจมีการดูแลอย่างอย่างอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะภูกเกต็ตเนี่ยนะครับภูเก็ตนี่เป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อในจำนวนจานวนสูงนะครับรองจากในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับพนคงจะต้องมีมาตรการที่มีความเข้มงวดมากขึ้นนะครับในในส่วนของของภูกเกต็ตว่าจะเป็นอย่างไรโฆษกสคอบอบอกว่าในช่วงของ วันสงกรานก็อยากจะให้เว้นระยะห่างในะการลดน้ำดาหัวเนี่ยอาจจะใช้วิธีการโทรมาขอพอรอะไรต่างๆนะฮะ จ, จะไม่ต้องไม่ต้องเดินทางมาหาในส่วนของอผู้ผู้หลักผู้ใหญ่นะจจะใช้วิธีการาทางโซเชียลออนไลน์ต่างๆเนี่นะครับนะเพราะสาหรับปีนี้นี่คงจะต้องอต้องต้องระมัดระวังนะซึ่งงานสงการ น, นี่ก็ปิด มีการยกเลิกกันเกือบทุกจังหวัดแล้วนะไม่มีงานสงการในปีนี้นะครับแล้วก็นแพทย์ทวีสินบอกว่าในวันที่8เมษายนเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนไทยเดินทางกลับจากญี่ปุ่นมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิอีกประมาณ82 32คนนะซึ่งตรงนี้นี่ก็มีการต้องเอาไปกับการตัวแล้วก็มาตรวจชื้อหาเชื้อโรค ก, ก่อนนะครับก็จะมีคนไทยนี่ ทยอยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเรื่อยๆเป็นกลุ่มๆเพราะหลายคนนี่ตกค้างอยู่นะครับที่ที่สนามบินนะหลังจากที่เราประกาศปิดน้านฟ้านะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้คงจะต้องทยอยกลับมาแต่ว่าก็อย่างที่บอกแล้วแต่ต้องมามากักกันตัวอยู่14วันนะครับแถวสัตหีบบ้างแถวพื้นที่ต่างๆนะครับที่มีการดูแลนะครับหลังจากนั้นนี่ก็บอกว่าในแพทย์ติวิสินบอกอาจจะมี มาจากแถวตอนออกกลางด้วยนะครับนะจากกาตาจากประเทศแถวตอนออกกลางก็จะมาก็เตรียมการไวแล้วรัฐบาลเตรียมการไว้ว่าที่จะต้องมีการมาดูแลนะผู้ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศที่ถูกกักกันตัวนายงตรเีเมื่อวานนี้เดินไปเยี่ยมตรวจเยี่ยมโรงแรมเดอะพัฒราพระรามเกกรุงเทพดูคนประชาชนคนไทยที่เดินทางกลับจาก ตางประเทศถูกกักตัวนะ ท, ที่โรงแรมแห่งนั้นนะครับเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา14วันนะก็จะไปดูติดตามดูความนะเรียบร้อยนะครับนะเพราะมีโรงแรมเอกชนหลายแห่งนะที่จะให้โรงแรมตัวเอง เ, เป็นที่กักกันตัวได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้นี่คงต้องทําตามนะที่ตามหลักวิชานะ ท, ที่วางไว้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะในตรงนี้นี่คง จะต้องช่วยเหลือกันในในทุกภาคส่วนแต่อย่างอย่างที่บอกแล้วครับว่าในส่วนหลังจากที่มีกระแสการระบาดของไวรัสโควิดอย่างมากในความต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้นราคาข้าวก็สูงขึ้นแหะครับเราจะเห็นว่าชาวไร่ชาวนาเนี่ยจะขายข้าวได้ราคาที่ที่สูงขึ้นเพราะว่าเป็นที่ต้องการของต่างประเทศนะในส่วนของ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ทวงจะต้องดูนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของตลาดข้าวนะครับนะควบคุมดูแลให้ดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บสต็อกข้าว ว, าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคงจะต้องดูนะซึ่งตรงนี้นี่ก็จากการเปิดเผยของนายชูเกียรติโอภาดวงนาะยกสมาคมผู้ส่งออกข้าวก็บอกว่าขณะ น, นี้ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้นไม่เกิน 15% ผู้ส่งลงสีรับซื้อจาก ชาวนาอยู่ที่ประมาณหมื่นถึงหม0่นถึงหนึ่บาทต่อตันซึ่งสูงสุดนะในช่วงที่10ปีมานี้นะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนื่องจากว่าราคาสูงขึ้นนะครับก็จะราคารับซื้อก็อยู่ที่หมนะื่นกับ1900บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็อาจจะต่อไปอาจจะมีการขยับราคาข้าวเปลือกเจ้าของไทยจะ ข, ขึ้นไปถึงหมื่นบาทต่อตัน ซึ่งก็จะทำให้ชาวนานี่ก็อาจจะเป็นยุคทองนะก็คาดหวังกันอย่างนั้นเพราะตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับนะว่ามาตรการต่างๆเนี่ยคือชาวนานี่จะจะจะขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้นเพราะมันขาดแคลนนะครับเราจะเห็นว่าขาดแคลนก็ราคาสูงไข่ไก่นี่ก็ตอนนี้ก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะก็จะเห็นว่าเกษตรกรที่เลี้ยงไข่ไก่ไข่นี่ก็จะมีไรายได้ที่สูงมากขึ้น แต่ในใ น, ในภาคการท่องเที่ยวนี่ก็ถือว่าหดตัวอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่ายอดนักท่องเที่ยวนี่ลดลงไปประมาณส8เอร์เขาว่าอย่างนั้นนะครับนะเดือนมีนาคมนี่ติดลบนะติดลบเลยนะครับไม่ใช่ลดธรรมดาติดลบไรายได้ก็หายไปประมาณ7จจากระบบนะก็เป็นแสนล้านในจากกัน เปิดเผยของรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะเพราะะนคงนี้คงจะต้องช่วยกันดูแลสาหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันกุลท่านนั้นต้องขอลาท่า น, นไปก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ จากเมืองจีนข้ามแดนเข้ามาส่งแม่ให้นางต่านหน้ากับแ่นกอ่อสามพ่อหน้ากันหากเดินแต่ก็มาเจอบ่ไวคิดหลายจนบ่เป็นอังทางานเซ็ เมืองไทยชาไปโรครายเล่นงานใส่แมเ่เทดเบียกอยู่บ้านอยู่ภัยอยู่มันคือทางรอดตายอย่าอยู่ใกล้ภัยอย่ายให้ผู้ดใดใกล้เธอบ่แม่นห่วงเดิอยานเจอโควิดจากคนชิดใกล้ วันอายนรอใช้เจวล้างมือคุณเด็กก่อนลห่หักแหงแหงปานหัวใจให้เจ้าปลอดภัยเดินล่าขอแรงคนไทยต้านไทยรุกรานหากันและมีสติมีหนทางฟ้า บงาจอรอออล ส, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ